ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> ต่อแต่นี้ไปให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กนมแก่ เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวะ <c oughs> าวนาพุทโธพุทโธในใจไม่ให้ใจคิดออกไปภายนอกและไม่ให้ใจมีความสงสัยในที่ทั้งปวงจงปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิน้น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 อันพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเรานั้นประเดิมแต่พระองค์ปานาโพทิยานเพื่อตรัสลูพระอนุตตรสัมมาโกติยานเพื่อลูกลือขนมนุษย์และเทวดายินพรมทั้งหลายให้ไปสู่นิพพานพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานลับสาศีลภาวนาตั้งแต่ครั้งกะโน้นมา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 ร่างกายของมนุษย์คนเราเรียกว่ารูปประขันธ์นี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองเราให้ระลึกถึงพระบรมศ า, ศ, าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาเมื่อสมัยอายุได้ยี่สิบเก้าปีจนมาถึงอายุสามสิบห้า เป็นเวลาหกปีกว่ า, วาจึงมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าจะได้ดตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้านั่นได้มาถึงต้นไมโพมานั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกกมูลล่มไม้คือเป็นที่วิเวกเย็นสบายในวันนั้นเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็รู้สึก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 เพื่อให้ท่านได้อาศัยหญ้าคาแปดกรรมนี้เป็นที่หลับที่นอนสบายดีเพราะว่าไม่มีเสนาสนะอันใดยกพื้นเลยเอายาคานี่แหละปูนอนแขกคิดอย่างนั้นจึงไดเอายาคาแปดกรรมมาถวายพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสลู้เป็นพระพุทธเจา้า เมื่อมาถวายแล้ว <c oughs> พระ อ, องค์ก็เปนิจพิจารณาย้าคาทั้งแปดกรรมนี้จะปลูทิศไหนของต้นไม้ต้นนี้ดูทิศเหนือก็ไม่เหมาะทิศตะวันตกก็ไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะพระ อ, องค์เห็นว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็นมงคลจึงได้เอาย้าคาทั้งแปดกรรมนั่นปลูลงไป ที่ทับกันไปทับกันมาพระองค์ปูนั่งไม่ใช่มุ่งเพื่อจะนอนคือคืนวันนั้นพระองค์ไม่ตั้งจิตเจตนาจะนอนตั้งใจเจ้าภาวนาเพื่อตรัสโลเป็นระพุติยาเมื่อเอาญาคาทั้งแปดกรรมปูพื้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เข้านั่งสมาธิภาวนา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 จิตที่จะแสสายลุ่มหลงไปตามสังขารลมานกิเลสมาตามธรรมดาก็ไม่มีทางไปมาลวมมาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ให้สังเกตให้ดีว่าดวงจิตดวงใจของคนเหล่านั้นดวงดั้งเดิมก็คือดวงที่รู้อยู่ดวงที่รู้อยู่นั้นไม่ใช่เป็นลูกเป็นล่างอย่างไร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 มาขราวนี้แล้วว่าภายนอกก็เลิกได้ละได้ภายในก็ตัดได้ละได้จนแจมแจ้งชัดเจนในจิตใจของพระองค์เองนี่คือว่าเป็นเรื่องของพระพุทธองค์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็โปรดปัรจวคีลือศีทั้งห้าโปรดอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านสอนเทวดาอินพรหมให้ได้บรรลุมรรคผล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 ปรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบา้านตอนพบขํามอย่างเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนานี่ยแล้วว่าเป็นเวลาประทานโอวาทแก่พระภิกษุภิกษุณีสาวกสองทั้งหลายผู้มาบรนประชาอุปสมบทแล้วว่าเป็นนักบวชสอนให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลส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 ไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาเกยรตใจยังอาศัยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานในใจอยู่อันนี้แหละมันเป็นปัญหามันคอยสร้างพพสร้างชาติสร้า ง, างอะไรต่อมิอะไรขึ้นมาเยอะแยะเพราะไม่ภาวนาในใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไป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 เมื่อสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจมกรมหลังจากนี้ไปแล้วตอนเที่ยงคืนเป็นเรื่องเป็นเวลาเทวดาพวกกายทิพมีเทวาบุตรเทวดาพยาอินพยาพรมลงมาฟังธรรมประพุติยาหรือมีปัญหาขัดข้องอย่างไรก็มา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 คือว่าพระองค์พิจารณาสัตว์โลกหมายถึงทั้งมนุษย์และเทวดาอินตรมทั้งหลายผู้ใดตนไหนคนใดพระองค์ใดเนนององค์ใดก็ตามเมื่ออินทร์บรารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในเวลาพระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติภาวนาอยู่นั่น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 เมื่อความตายมาถึงเข้าเรายังทำความเพียรละกิเลสยังไม่เด็ดขาดจะมาล่องให้น้ำตาไหลกับกองกระดูกอยู่ไม่จบไม่สิน้นสักทีจองลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนายาได้พลั้งเผลอเอาจิตใจให้เมความสงบตั้งมั่นลงไปเหมือนพระสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมในสมัยกล้งพุทธกาลโน่น สมัยโน้นเป็นสมัยปฏิบัติภาวนาคือว่าญาติโยมแม้จะเป็นคฤรือหัดเป็นฝ่ายญาติโยมก็ตามท่านได้ฟังธรรมคาสอนพระพุทธเจา้าได้ฟังธรรมคาสอนสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นําไปปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้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 จิตของเรามีสติไหมเดี่ยวนี้สมาธิในใจนี้มันตั้งมั่นหรือไม่สิ่งนี้แหละเราจะต้องระลึกอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ให้จิตใจเถือเลอและไม่ให้จิตใจลืมพุทโธในใจก็นึกไว้จเจริญไว้ใครเป็นผู้นึกพุทโธก็จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละเป็นผู้นึกเป็นผู้จเจริญอยู่ เมื่อจิตใจดวงนี้นึกอยู่จเจริญอยู่ตั้งใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ชื่อว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญผู้ใดมีแต่ความประมาทมัวเมายัางเด็กกว่าเด็กอยู่เชา้ากว่าเช้าเกินไปสายกว่าร้อน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 ไม่ต้องไปคิดไปคำหนึ่งเอาจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเมื่อเราทบทวนกระแสะเข้ามาสู่จิตใจดวงนี้รวมลงที่นี่ไม่ใช่ที่โ น, น้นที่นี้ปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิที่นี่ก็คือจิตดวงที่รู้ที่ฟังอยู่ได้ยินเสียง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 พระพุทธเจ้าพระอระหันตเจ้าทั้งหลายท่านทำความเพียรละกิเลสไม่ใช่ท่านไปทำในอดีตอนาคตท่านทำในเวลาปัจจุบันท่านละในเวลาปัจจุบันท่านเห็นจริงเห็นแจ้งในเวลาปัจจุบันท่านปล่อยท่านวางในปัจจุบันนี้ท่านมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล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 มีแต่ความโกรธไม่หัวใจอยู่อันนี้แลี ว, ว่าโทสักจะหลิดให้ละให้หมดทิ้งให้หมดเอาจิตใจดวงผู้รู้แจ้งแทงแตลอดไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราจิตใจให้แจ้งใสหมดจดสะอาดเขาด่ามาก็อย่าให้ถูกคืออย่าไปยึดเอา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 พระพุทธเจ้าละให้เราเห็นแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าพอละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงเพราะพระองค์นั่งภาวนาวันนั้นคืนนั้นท่านนั่งภาวนาตอดตั้งแต่หัวค่ำพกค่ำจนแจ้งสว่างไม่ยึดนั่นถือนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะว่าคนเ่าทุกคนนั้น ถ้าใจสงบหลังอับใจตั้งมั่นเย็นสบายใจไม่ยึดความโกรธความโลภความหลงนั่นใจมันก็ต้องสบายนั่งนานก็ไม่ทุกข์คนเรานั่งนิดๆ น, น, น้อยๆเป็นทุกข์กายทุกข์ใจกระสรับกระส่ายก็เพราะว่าใจมันไม่หยุดไม่อยู่ใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านไม่มีความทุกข์ใ่แต่ว่าทุกกายนั่นเป็นของมีอยู่ทุกกายก็ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชรามีเหมือนกันกันกบคนเราไม่ต่างกันเมื่อแก่ชราแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีกจะต้องมีเวลาแตกดับตายไปแต่ว่าจิตใจของท่านดี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 เรื่องก็สงบอยู่นั่นเอง <c oughs> <c oughs> บัดนี้เราท่นานทั้งหลายได้มาสู่สมาคมสถานที่นี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสก็อย่ามีความทอถอยอย่าไปคิดว่าคนไหนหนอจะมาละกิเลสความโกรธให้เราคนไหนหนอจะมาละกิเลสความโลภให้เราคนไหนหนอจะมาละกิเลสความลหลงให้เรา ไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่บุคคลอื่นบุคคลนั่นได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าการภาวานาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น สาวกทั้งหลายจะต้องกำหนดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปส่วนหนึ่งต่างหากไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่กันอะกั น, กนดูแต่เวลาเราท่านทั้งหลายรับประทานอาหารเราไปมอบให้คนอื่นทานเราไม่ทานมันจะอิ่มไหมไม่ได้ใครหิวก็บริโภคไปก็อิ่มไปเอง การบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาของเราแต่และบุคคลก็เหมือนกันเราต้องทำเองปฏิบัติเองความโกรธมีมากน้อยเท่าไรก็เลิกละออกไปไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมความโกรธนะมันก็หมดไปเหมือนไฟที่มันติดขึ้นมาเราไม่ให้ฟืนให้น้ำมันมันไฟมันก็ยุบไปดับไปเป็นธรรมดา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 จิตใจของผู้นั้นก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดสาม า, ารถอหานไม่มีความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายประการใดมันตายแต่รูปร่างกายจิตใจมันไม่ตายใจมีปัญญาใจละกิเลสราค ะ, ะโทสะโมหะได้แล้วมันไม่ตายรูปร่างกายนี้ถึงอย่างไรอย่างไรมันก็ตายวันอย่างค่าตายคืนยังโลง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 ผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นภาวนาพุทโธให้มั่นคงในใจเตือนจิตเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่าให้เสียเวลาทุกลมหายใจเข้าออกให้ภาวนาอยู่ในจิตในใจเอาจนจิตใจดวงนี้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติ ความลังเลสงสัยก็หายไปจิตใจก็จะก้าวหน้าไปสู่ความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารฉะนั้นเมื่อว่าเล่าท่านทั้งหลายภาคกันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละนี้ ยะถาวะลิกวะหาปูลาบาลิปูลเณติสะคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังลุปกะปะติอิชิตังปติตังตุมหังกิตาเมวะสมิสตุสภเปูลเณตุสังกปาจันโทปนาลาโสยะถามณีโชติระโสยะถาสปีติโยวิวัตฉันโต สัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยชุขิธีคายุโกภวะอะพิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง การนั่งสมาธิภาวนาให้ภาคกันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสโลเปล้มไมโพพระองค์นั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อน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 แต่ชีวิตคือลมหายใจเราทุกคนนั้นทุกวันที่เราหายใจเข้าทุกวันที่เราหายใจออกเป็นการแสดงถึงมรณะกรรมฐานคือชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดอายุจริงๆก็ตรงที่ลมหายใจนั่นแหละ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 ถ้านึกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตนั้นก็จะรวมสงบได้ทุกๆคนโดยเฉพาะมารณกรรมฐานนี้คนเรามักจะประมาทคือเข้าใจว่าเราไม่จะไม่ตายง่ายๆเมื่อใดก็ได้ผู้ที่ยังเด็กยังหนุ่มก็ว่า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 เมื่อผู้ใดเห็นความตายอยู่เสมอจิตจะไม่ประมาทเหมือนกับว่าลมเข้าไปเราก็ตายลมออกมาก็ตายมันใกล้ที่สุด <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็อ้างเอาพระองค์เป็นหลักด้วยว่าส่วนว่าเราตถาคตไม่ได้หลงไม่ได้ลืม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 มันจะแสดงความวิกรมวิการออกมาจนถึงความตายได้นับไม่ถ้วนเมื่อเป็นเช่นนี้อันมาล ะ, ะกรรมาฐานเน่จึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรานึกเราจะเรินจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจจะไม่มีวันหลงวันลืมก็มันใกล้ที่สุดนะ แล้วมันก็เป็นความจริงเขามันมาถึงเรียใครจะไปเรียกร้องกล้ อ, ลองขอไม่ได้ขอผัดวันประกันพุ่งก็ไม่ได้มันเอาตายนาเท่านั้นไม่เลือกว่าเจ้าใหญ่นายโตคนทุกไล้อนาถามันไม่ได้ยกเว้นที่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าบนกุศลมันยังให้ผลอยู่ บุญเก่าเราทำมาบุญเก่านั้นยังให้ผลอยู่ถ้าหมดบุญเก่าเมื่อใดแลวมรณะภัยคือความตาย ม, มันจะปุกบปับเข้ามาจนไม่รู้สึกตัวจนเอาไม่ทันนั่น <c oughs> นั้นจึงให้นึกน้อมให้ดีภาวนาให้ดีมรณะกรรมฐานนี่ท่านว่าเป็นยอดธรรมก้อไหน เือว่าชีวิตทุกชีวิตเวลามันจะจบลงไปไปจบที่มรณะกรรมฐานเมื่อมรณะกรรมฐานมาถึงเข้าแล้วนั่งอยก็จำเป็นต้องลมตายลงไปยืนอย่ก็เป็นได้ไม่เหลือตายได้ทางนั้นแหละ นี่จึงให้พากันเอาไปนึกไปเจริญจนมันทราบซึ่งตรึงใจจนมันเข้าอยู่ในดวงใจจริงๆจิตใจนั่นมันจะได้ภาวนาติดต่อนอนเนื่องเป็นลําดับไปเพราะว่าคนเราที่ทำไปนั้นแหละมันเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องตักเตือนอยู่ตลอดเวลา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 เราต้องนึกให้ได้จเจริญให้ได้อยู่ทุกเวลาเมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่จนมันเนืองนิดติดต่อกันไปจิตใจก็ยอมสงบดังับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาได้เหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้ไม่ทำวันหน้าเวลาน่าจึงจะทำหลักสาคัญท่านว่าให้เอาหลักถือการเป็นปัจจุบันนั่นแหละสาคัญ ปัจจุบันนั้นคือว่าไม่ให้มันขาดตกบกพร่องมีความรู้สึกอยู่ในใจของเราที่ไหนก็ให้นึกมองให้เห็น <c oughs> ซึ่งมรารณกรรมฐานถ้ามันรวมจิตใจได้มันจะรู้สึกสะดุ้งในใจทีเดียวว่าเป็นจิตประมาทโมเมา ท, ทั้งทังี่ความ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 เอวังก็มีด้วยประกาลชนีสติติโยวิวัตชันตุสภะโลคโควินัสตุมาเตปวัตวตวันตรยโยจุเกติกาุยโกปวะอภิวาตานาสีริจัิญังมุธาปจายิโนจ ต, ตารโธรรมวทันติอายุวันโนจุขังปหลัง